เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของพี่คนหนึ่งที่ผมสนิทครับพี่เขาชื่อว่าการบ้านพี่เขาอยู่แถบชานเมืองติดกับคลองแถวบ้านมีท่าน้ำยื่นออกไปในคลองเต็มไปด้วยผักตบชวาพี่การเล่าว่าเพิ่งจะหายจากอาการทางประสาทผมถามว่าทำไมถึงเป็นครับพี่แกบอกเจอผีแล้วช็อกไง อยากฟังไหมผมก็ไปยักหน้าย้อนกลับไปเมื่อหปีก่อนพี่การได้ทำงานเป็นเซลล์ขายของแก้กลับบ้านไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่บางครั้งก็หัวค่ำทุ่มสองทุ่มบางทีก็เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็มีมาวันหนึ่งแก้กลับมาจากที่ทำงานประมาณสามทุ่ม เดินขึ้นสะพานไม้ข้ามคลองกำลังเดินอยู่ได้ยินเสียงคนเดินตามหลังมาหันกลับไปดูเป็นสาวออฟฟิศคนหนึ่งเดินขากระเพลกอยู่แกเห็นเลยหยุดถามว่าให้ช่วยอะไรไหมใส่ส้นสูงอย่างนั้นเดินลำบากหากไปดังเกียรติกันพยุงไปส่งบ้านไหมเธอคนนั้นยิ้มแล้วพยักหน้าให้ แกเ ข, เข้าไปพยุงน้องน้องก็บอกว่าให้ไปส่งที่ท่าน้ำหน่อยถามว่าทำไมไม่ให้ไปส่งที่บ้านเธอบอกว่าเดี๋ยวแฟนเธอจะมารับถึงที่ท่าน้ำเธอพูดขอบคุณแกถามว่าดึกแล้วนะจะมารับตอนไหนน้องก็ตอบว่าอีกแป๊บเดียวพี่การกลับบ้านแล้วตอนเช้าก็มีงานในกรุงเทพ เลยต้องออกจากบ้านเร็วแต่เช้ามืดเดินไปถึงท่าน้ำเจอเธอคนนั้นยืนยืนอยู่ที่เดิมแกถามว่าแฟนยังไม่มาเหรอเธอบอกว่ายังเลยแกก็ตกใจบอกบ้านใครไหมจะไปส่งเธอบอกว่าไปไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับเองพิการเลยไปทำงานมองลงมาจากสะพาน เห็นเธอชี้ไปที่กอผักตบชวาที่มีดอกสีม่วงคิดว่าเธอคงจะบอกว่ามันสวยดีแกกลับบ้านดึกติดกันสามคืนทุกครั้งที่กลับมาจะเจอเธอคนนั้นที่ท่าน้ำยิ้มให้และเอามือชี้ไปที่ดอกผักตบชวาตลอดแกก็ยิ้มให้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคืนต่อมา แกกลับมาพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งพร้อมเครื่องเดิมและกับแกลมมีปลาเห็ดและยำเส้นแกงร้อนเธอคนนั้นยิ้มและชี้ไปทางที่เดิมเพื่อนแกก็ถามว่าใครบอกว่าสาวบ้านอยู่แถวนี้มารอแฟนมารับแกบอกว่าไปถามดูหน่อยไม่กลัวหรือไงวะอยู่ดึกดึกทุกวันไปถึง เธอคนนั้นบอกแกกับเพื่อนวันหนาวแกเลยจะถอดเสื้อแขนยาวให้เธอก็ชี้ไปที่ดอกผักตบชวาก็เลยถามว่าทำไมเหรอสวยดีอยากได้เหรอว่าแล้วแกก็ลงคลองแหวกกอผักตบไปเก็บดอกมันส่วนเพื่อนแกที่ท่าน้ำได้ยินเสียงคนเดินจากข้างหลังหันไปดูไม่เห็นใคร แล้วก็แปลกใจมือสาวออฟฟิศคนนั้นหายไปแล้วแต่ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงพี่การร้องลั่นกระโดดลงไปช่วยขึ้นมาแต่ถ้าว่าสติแกหมดไปแล้วพอไปถึงบ้านพ่อแม่แกเอาพระมาคล้องคอและเอาน้ำมนต์มาพรมให้จนตอนเช้าสติแกกลับมานิดนึงแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืน ที่ลงไปในคลองพอถึงดอกผักตบชวาก็จะหันไปดูสาวคนนั้นแต่มือแกไปคว้าเอาอะไรบางอย่างมันคือขาคนแกบอกว่ามือที่กําลังถึงดอกผักตบมีมือหนึ่งมันจับไว้มองดูมันคือร่างคนคนหนึ่งลอยคว่ําอยู่ศีรษะที่บวมอืดตาถลนข้างหนึ่งแทบหลุดออกจากเบ้าร่างนั้น หันมาหาแกแล้วก็พูดว่าหนาวจังไม่อยากได้ดอกไม้เอาศพหนูขึ้นไปทีแกถึงกับร้องลั่นพอไปบอกคนแถวบ้านเลยบอกว่าเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งมาตามหาแฟนเขาบอกว่าเป็นสาวออฟฟิศทีนี้ก็ไปดูเจอศพจริงๆแต่อึดหมดแล้วคาดว่าเธอคงจะเจ็บขาใส่ส้นสูงเดินบนสะพาน แล้วพลัดตกลงคลองแล้วน้องว่ายน้ำไม่เป็นด้วยที่ไม่มีใครเห็นศพเพราะกอผักตบชวาล้อยมาบังไว้เรื่องนี้ทำให้พี่การเป็นโรคประสาทต้องรักษากับจิตแพทย์อยู่สองปีถึงจะหายและเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c ไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ